จปฏิบัติจมาที่วิปัสสนาเพื่อให้จิตสงบตั้ตงมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิด ส, สติปัญญารูร้แจ้งเห็นจริ ง, นรงในธรรมตามความเป็นจริง เปิรูปายรักอนิีจังไม่เที่ยงทูกขังเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่นนตนแห่งธรรมทั้งหลายโลอริยสัจสี่ิทสิ่งที่ทนได้ยาก หมายถึงความทุกใจโลสะมุไทยคือตันหาความทัเยอธยานอันไม่มีขอบเขตทำให้เกิดทุกข์โลนิโลเคือความปกติจิต ในยิตดียินร้ายในอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตางหูาามจมูกลิ้นายาและใจรู้มาสู่หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ปูสีนสมาธิปัญญาเป็นปฏิปทาที่ประสาทเจ้าทรงแสดงไว้แล้วโพธิ์อัมโมขังโธท้าพุทธเจ้าประธรรมพระสง มีอยู่ที่จิตของข้าพเจ้าแล้วคือความรู้สึกความนึกผิดชอบทั่วดีูอรู้โูเตื่นูธเบิกบานสาธุสาธุ ต่อไปเธอนั่งสมาธิเลย นั่งสมาธิเราก็ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วแต่ยังขาดความวิริยะอุตสาหะที่เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติดังนั้นขอให้ทุกท่าน งตั้งใจให้มีสัตจความจริงใจว่าขณะนี้เราจะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตมีสมาธิเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็กำหนดอารมณ์จิต ที่เราเคยใช้เป็นคู่ของจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ได้ตามแต่ถนัดที่ตนเองเคยปฏิบัติมาแล้วแล้วพยายามก่มจิตซึ่งเรียกว่าธรรมข่มให้อยู่กับอารมณ์บริกรรมภาวนา เป็นภาวนาพุโทโธให้พุโทโธอยู่กับจิตจิตอยู่กับพุโทโธพยายามจะให้จิตกับพุโทโธกล้าจากกันบริกรรมภาวนาไปจนกว่าจิตกับพุโทโธจะสนิทแ น, น่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกจากกันไปได้ จนกระทั่งจิตมีความสงบโปรงไปมีปีติมีความสุขมีความสุขและมีความเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่ที่พุทธโธจิตต่อพุทธโธสนิทแน่นๆรู้สึกว่าเราจะตั้งใจนึกพุทธโธก็ตามไม่นึกก็ตามเจอจิตเขานึกถึงพุทธโธโดยอัตโนมัติ ส่วนประกอบที่จะเพงเกิดขึ้นเกี่ยวกับการภาวนาเมื่อจิตจะเข้าไปสู่ความสงบเราจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบคือสงบจากทุกขเวทนาปวดเมื่อยจิตสงบ คือสงบจากความพุ่งซ่านลำคาญติดตอดลงแจ่มใสเบิกบานสวยปีติและความสุขเกิดจากสมาธิอยู่แล้วก็มีความเป็นหนึ่งมุ่งตรงต่อการภาวนา มีความรู้สึกดูดดื่มในภาวนาลึกซึ้งลงไปในจิตเมื่อปีติบังเกิดขึ้นกับผู้ภาวนาบางทีทำให้ตัวสั่นทำให้ตัวโยกโคลงทำให้ตัวเบา ทำให้รู้สึกวิวหิวในจิตบางครั้งเหมือนกับจะจุดหายใจแล้วแต่พลังของปีติจะแสดงออกมาแรงหรือเบาตามอุ ป, ปนิสัยของผู้ภาวนานั้นๆเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้น ถ้าจิตยังบริกรรมภาวนาอยู่ก็บริกรรมภาวนาด้วยไปถ้าจิตหยุดนิ่งไม่บริกรรมภาวนากำหนดรู้จิตเฉย อ, อยู่อย่าไปสนใจกับอาการของจิตและสิ่งอื่นซึ่งเกิดขึ้นก็สิ่งเหล่านั้นเป็นทางผ่านของการบำเพ็ญสมาธิ ให้กำหนดรู้จิตเผย อ, อยู่ถ้าจังบริกรรมภาวนาอยู่ก็บริกรรมภาวนาเผย อ, อยู่อะไรจะเกิดขึ้นเราไม่สนใจกับสิ่งอื่นปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องตามราวของจิตให้สนใจกับบริกรรมภาวนากับการกำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียว ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเราไปเกิดเอกใจตกใจสมาธิจะถอนถ้ากำหนดรู้จิตเคยอยู่สมาธิจะดำรงมั่นอยู่ตลอดไปจนกระทั่งจิตสงบละเอียดลงไปผ่านอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิโดยลำดับ ระดับอุปจาระสมาธิจิตยังบริกรรมภาวนาอยู่หรือไม่บริกรรมภาวนาก็ตามแต่ยังมีปีติมีความสุขปลากฏดอยู่เพราะทวงนี้ผู้ภาวนาจะรู้สึกว่าตายยังปลากรดอยู่เมื่อกายยังปลากฏดอยู่กับความรู้สึกของจิต ปีติและความสุขก็ยังปรากฏอยู่เพราะปีติและสุขเกิดที่กายเกิดเพราะเรามีกายอยู่เมื่อจิตผ่านขั้นนี้เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิร่างกายตนตัวจะหายไปหมดไม่มีกายปรากฏในความรู้สึก มีแต่จิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานอยู่เฉพาะจิตดวงเดียวโุกสิ่งทุกอย่างได้หายไปหมดแล้ววิตกวิจาร์ปีปีสุขหายไปหมดพร้อมกับความหายไปของกายเมื่อกายหายไปแล้ว ก็ยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกับคตตาตอบความวางเฉยของจิตจิตนิ่งรู้เฉยอยู่รู้อยู่เฉพาะตัวคือรู้อยู่ในจิตจิตรู้อยู่ในจิต ไม่ได้พึ่งพาอาศัยอารมณ์อันใดเป็นหลักจิตเป็นตัวของตัวโดยเด็ดขาดจิตมีตนเป็นเกาะจิตมีตนเป็นที่พึ่งที่ระลึกจิตเป็นตนของตนเป็นอัตตาหิัโนธุตนเป็นที่พึ่งของตน ถึงแล้วซึ่งธรรมชาติแห่งความเป็นพุท ธ, ธะอย่างแท้จริงคือรู้เตืนเบิกบานคำว่าพุโทโธที่เราท่องอยู่หายไปก็พุโทโธเป็นแต่เพียงคำพูดเป็นคำพูดเป็นอารมณ์ของของจิตเพื่อจูงจิตให้เข้าไปสู่ความเป็นพุท ธ, ธะอันเป็นคุณธรรม เมื่อพุทธทันเป็นคุ ณ, ณธรรมปรากฏขึ้นในจิตจิตรู้ตื่นเบิกบานนั่นคือธาตุแห่งความเป็นพุทธเป็นคุ ณ, ณธรรมเกิดขึ้นในจิตของผู้ภาวนาเมื่อจิตไปถึงขั้นนี้แล้วเขาจะดำรงอยู่ เป็นเวลานานหรือไม่นานแล้วแต่พลังของจิตผูต้ภาวนาจะหมดความรู้สึกในด้านเจตนาสัญญาต่างๆเกิดถึงความเป็นเองโดยอันมัติเราจะไปตกแต่งจิตในขั้นนี้ไม่ได้แต่อาศัยพลังของ ศีลสมาธิปัญญาที่อบรมแลว้งลงนนรว ร, ร, รวมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกายโนมโคสมมทัตขาโตอริยมารวมลงเป็นหนึ่งรวมพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นทางอันเอกเป็นทางเส้นเดียว เมื่อเสนสมาธิปัญญารวมพลังลงไปแล้วกลายเป็นภุญญาทิสังขารสามารถปรุงแต่งจิตให้ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิความรู้ในขณะที่จิตนิง่งอยู่ในส่วนลึกอัปปนาสมาธิอย่างละเอียดความรู้จะยังไม่ปรากฏขึ้นก่อน เมื่อจิตช่วนี้ถูกตัวปัญญาที่สังขารตือศีลสมาธิปัญญาที่รวมพลังแล้วหนุนจิตให้ถอนจากสมาธิออกมามาอยู่ในระดับแห่งอุปจาระสมาธิกายปรากฏขึ้นในความรู้สึกแล้วความคิดจะปรากฏขึ้นที่จิตจิตจะมีความคิดผุดขึ้นมา ในช่วงนี้ผู้ภาวนาอย่ารีบส่วนออกจากที่นั่งสมาธิหรือเลิกภาวนาให้กำหนดคามรู้อารมณ์จิตเรื่อยไปเมื่อจิตมีความคิดขึ้นมาจะคิดอะไรก็ได้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลเรื่องโลกเรื่องธรรม เรื่องอารมณ์เกี่ยวกับครอบครัวการงานภุรกิจต่างๆเมื่อจิตคิดขึ้นในช่วงนี้ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติสัมปชัญญะตามรู้ไปทุกขณะจิตจะกลายเป็นการเจริญวิปัสสนาเราจะได้รู้แจ้งคัดเจนลงไปว่าจิตที่ผ่านสมาธิ อย่างละเอียดมาแล้วเราจะยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาในตอนใดเราก็จะรู้ทันทีรู้ว่าเมื่อจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิมาอยู่ในขั้นอุปจาระสมาธิมีกายปรากฏจิตมีความคิดขุดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจจะคิด แต่สติตามรู้ความคิดไม่หยุดจังความคิดไปถึงไหนสติตามไปถึงนั่นความคิดเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งละลึกของสติเมื่อสติไปจดต้องดูความคิดอยู่ทุกขณจิตความคิดอ น, นั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติ เกตกำหนดตัความคิดความคิดเกิดจากจิตจิตก็คือความคิดความคิดก็คือจิตเมื่อสติสัมปชัญญะไปตั้งรู้กําหนดรู้อยู่ที่ตรงนั้นความคิดเป็นฐานที่ตั้งของสติเรียกว่าจิตานุปัสนาสติปัฏฐานความรู้เห็นของผู้กําหนดตูวอารมณ์จิต กำหนดตู้แล้วจิตรู้จักปล่อยวางไม่สําคัญมั่นหมายความคิดก็มีอัตตาตัวตนแต่แต่ว่าเป็นความคิดคิดแล้วก็ไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ยุ่งยากแม่แต่ความคล่องใจว่าความคิดนี้คืออะไรก็ไม่มีมีแต่คิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วก็ปล่อยวางไป รู้ว่าจิตก็ดีความคิดก็ดีไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาไม่เป็นของเราไม่เป็นของเขาสักแต่ว่าความคิดเห็นความคิดเป็นความคิดเห็นจิตเป็นจิ ต, เ, จตเรียกว่ากำนหนดรู้จิตในจิตกำหนดรู้ความคิดเป็นความคิด ถ้าไปกำหนดรู้ความคิดเป็นอื่นก็ไม่ใช่เห็นจิตในจิตเช่นอย่างไปเห็นความคิดว่ามีอัตตาตัวตนขึ้นมาก็ไปรู้เห็นสิ่งที่มีอัตตาตัวตนไม่ใช่เห็นจิตเป็นจิตในเม่เห็นจิตเป็นจิตเห็นความคิดเป็นคิดเป็นความคิดเรียกว่า จิตตานุปัสนาสติปัฏฐานความคิดเป็นฐานที่ตั้งของสติสติมีความมั่นคงกำหนดรู้ความคิดไม่ลดละราศจากความยินดีปราศจากความยินร้ายราศจากความดีใจเสียใจ ลาสจากความเจ็ดมั่นถือมั่นมีแต่ปล่อยวางอย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็เดินทางสายกลางซึ่งเรียกว่ามัตติมาปฏิปทาไปตรงกับคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ใน ทำ ม, มาจากกัปวัตนสูตรตอนต้นว่าทเวเมพิกเวอันตาปะพะิเตนะนาเสวิปปะโดกรทิสูทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างทิสุไม่ควรส่องเสษส่วนสุดสองอย่างนั่นคืออะไรเคือกามาสุขันริกานุโย การประกอบทนให้พัวพัน์ติดนั่นในความสุขความสบายดังนั้นเมื่อจิตมีอารมณ์เกิดความยินดีจึงเป็นการมาสุขขันด้วยการุโยกเพราะไปยินดีในอารมณ์จิตแล้วก็มีความใข่ในความยินดีนั้น เป็นอัตเป็นกามสุขันธิการุโยะเป็นอิจฉารม์ติดในอารมณ์เป็นที่น่าจินดีเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติธรรม้าจิตไปไปหาเจอความสุขทำให้เกิดที่เกียดในการภาวนาว่าฉะนั้นกามสุขันธิการุโยะจึง จ่เป็นพวกฝ่ายที่บ่อนคอยกั้นกลางไม่ให้เราเกิดความภาพความเพียรในการที่จะปฏิบัติธรรม้าจิตไปเกิดความยินร้ายไม่พอใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตกลายเป็นอัตตะอิลมัตถานดโย า็ความยินร้ายไม่พอใจไม่ยินดีมันทรมานจิดใจอาตะกิเลมมัฏฐานโยคะคือการประกอบความเพียรเพื่อทรมานตนเมื่อเจตเจตอารมณ์ไม่เกิดความพอใจในอารมณ์กลายเป็นความยินร้ายเป็นอนิธารณมเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ายินดี ความไม่ยินดีบางเกิดขึ้นเป็นตัวกิเลสที่คอยกั้นกางทําให้เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติเช่นอย่างนั่งไปนานเหน็ดเหนื่อยไม่พอใจอยากจะเลิก น, นั่นคือตัวอัตตะกิลมัทฐานโยชนั่งไปแล้วเกิดหนวดหงิดลาคาญในจิตไม่อยากปฏิบัติต่อไปนั่นคือตัวอัตตะกิลมัทฐานโย เพราะความรู้สึกเช่นนั้นมันเป็นการทรมานจิตใจดังนั้นสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ต้องเสกไม่ให้คบค้าสมาคมเองมีอุบายวิธีหาสิ่งเย็ดให้กับจิตเพื่อทำจิตให้ดำเนินสายกลาง ได้แต่บริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรบ่อยๆจนคร่องตัวทำนิทานานจนจิตไปจิตยึดอยู่กับบริกรรมภาวนาหรือเรื่องพิจารณานั้นๆมีความโดดเึง่ยวทำให้จิตใจมุ่งตรงต่อการปฏิบัติโดย่ายเดียวไม่ข้องแวะ เรียกว่าเป็นทางสายกลางซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนทางที่พระเจาก็เจ้ธ า, ธธธธาได้บำเพ็ญมาแล้วดำเนินไปแล้วทางสายกลางก็คือสีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกและปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่อื่นการดูจิตในขณะที่ปฏิบัติ ถาจิตของเราเป็นกลางวางเฉยอย่างดีก็มีความยินดีในทางปฏิบัติเพียงอย่างเดียวความยินดีจินร้ายอันเป็นเรื่องของกิเลสไม่มีมีแต่ความเป็นกลางโดยเสี่ยงธรรมอันนี้เรียกว่าจิตเดินทางสายกลางเป็นตัวปกติของจิต เมื่อจิตเกิดมีตัวปกติปรากฏเด่นชัดจิตมีความเป็นปกติกายก็ปกติทำให้กายเบาจิตเบาทำให้กายสงบจิตสงบนีวอนห้าหายไปหมดมีแต่วความปลอดโปร่งแข่มชื่นเบิกบานภายในจิตเพียงอย่างเดียว เมื่อเป็นเหตนนั้นอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับที่จะมาเป็นสิ่งขัดขวางต่อทางปฏิบัติย่อมไม่มีก็จิตเป็นปกติปกติตัวนี้ออกมาจากสัตว์บาลีว่าสีละคือความปกติจิตที่ปกติเป็นตัวสีล เศนที่เป็นปกติเข้าไปถึงจิตจิตเป็นปกติสีเลยนะสุขสิงยันติมองเห็นแล้วหรือยังตัวปกติคือศีลที่มีอยู่ในจิตนั่นแหละเป็นทางแห่งสุขสิการยินดียินร้ายไม่มีมีแต่ความเป็นกลางมีแต่ตัวปกติ เห็นแล้วด้วย่างนั่นคือตัวนิโรธความดับกิเลสเมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายกิเลสมันก็ดับไปความยินดียินร้ายเป็นอาการของกิเลสเมื่อกิเลสดับไปมันก็เป็นตัวนิโรธปรากฏเด่นชัดเมื่อตัวนิโรธาปกติจะปรากฏเด็นชัด จิตของเราก็มองเห็นหนทางที่จะดําเนินก้าวหน้าไปเป็นตไปตามลําดับตามขั้นตอนซึ่งสุดแท้แต่พลังของจิตพลังของศีลสมาธิปัญญาจะนุนสง่งให้จิตเป็นไปอย่างไรต่อไปเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตเพียงอย่างเดียว เมื่อมองเห็นสิ่งที่เกิดดับอะไรเกิดอะไรดับข้อจิตนั่นแหละเกิดจิตนั่นแหละดับเมื่อกําหนดหมายความเกิดดับของจิตเป็นอารมณ์เป็นฐานที่ตั้งของสติอยู่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นมาบ้าจิตมีสติรู้ทัน อัตโนโจทยัตตานังจะเป็นกิริยาที่เตือนตนด้วยตนเองอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บจิต ร, รับรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางเพราะรู้จริงจึงปล่อยวางตัวรู้จริงคือความปล่อยวางนั่นคือตัววิชาความรู้แจ้งเห็นจริง เมื่อมีพิธาความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นแล้วความรู้จริงย่อมย่อมทาให้หายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้วก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วจิตก็เป็นปกติเป็นตัวนิโรธะปติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้น ก็จะมองเห็นความเกิดจากของอารมณ์จิตหรือจิตในภายในว่า น, นี่คือตัวอนิจจ์ความไม่เทียงโคกขังความทนอยู่ไม่ได้ของสภาวะธรรมอนัตตาไม่เป็นตัวของตัวของสภาวะธรรมทั้งหลาย สิ่งที่ปรากฏเกิดดับอยู่ภายในจิตนั้นคือธรรมที่ปรากฏแก่ตามผู้มีเพียรเท่งอยู่ความผู้มีเพียรแท่งอยู่คืออะไรก็คือจิตที่มีสติสัมปชัญญะกำหนดเท่งดูอยู่นั่นเองในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ความผู้มีเพียรแท่งอยู่ ตามนั้นย่อมรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคือรู้ว่าธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็หายสงสัยข้องใจเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงอันนั้นเมื่อหายสงสัยข้องใจแล้วจิตปล่อยวางก็เกิดมีวิมุติคือความหลุดก็เกิเช่นนั้นเป็นชาติ เจาความเกิดถ้าไปยึดมั่นอยู่ในความคิดอันนั้นนานๆเป็นชาลาปิูุขาทรมานติตอยู่กับอารมณ์นั้นสิ่งนั้นไม่ยอมปล่อยวางเมื่อเป็นเช่นนั้นสุขทุกก็ย่อมบังเกิดขึ้นสลับกันไปโปิภาวนาที่มีสติสัมปชัญญะ เพื่อกลายเป็นตัวปัญญาอันแก่กล้ายอมสามารถกำหนดรู้สุขและทุกข์เพื่อเกิดดับสุภายในจิตว่านี่คือพวกอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แม้ว่าสุขทุกข์จะยังมีปรากฏอยู่แต่พวกมีสติสัมปชัญญะกำหนดหมายสุขทุกข์เป็นอารมณ์จิต เป็นแนวทางแห่งการพิจารณาอย่างไม่ลดละในพยายามที่จะไปละงับทุกแต่ทาหน้าที่กำหนดรู้เพียงอย่างเดียว่ังก็อปณิดังทุกขัางอริยสัจจังตรินเยยันติมตีทิพกเวดกรที่โตทั้งหลายทุกเป็นธรรมชาติที่พึงกำหนดรู้ เพียงแต่กำหนดรู้ไม่ต้องไปกำหนดละกำหนดรู้เพียงอย่างเดียวในเมื่อกำหนดรู้แจ้งเห็นชัดว่ามีทุกข์สังข้ปนิดังทุกขังอริยสัจจังปริญญากันติเมีพิคเวโดภันทิโสทั้งหลาย ทุเป็นธรรมชาติที่เรากำหนดรู้แล้วเพียงจะกำหนดรู้แล้วไม่ต้องไปกำหนดละเพราะทุกเป็นผลละไม่ได้เมื่อละไม่ได้ก็เพียงจะกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้ไปรู้ไปยังจินติตมุตยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติ เดชที่มีสมรติาภาพมีสติปัญญาส่องตัวยอมกําหนดหมายว่านอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา เมื่อเจตํำหนดรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาหายสงสัยเจตก้าวลงสู่สมาธิขั้นละเอียดวู่นลงนิ่งสว่างจากทรงอุดปาดิจากสุคือดวงตาได้ปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ภาวนาแล้วเจตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นโบิกบาน กำหนดรู้อยู่ที่จิตเองโดยอัตโนมัติยานังอุดปาริยานได้บังเกิดขึ้นแล้วยานย่างรู้ได้เกิดขึ้นแล้วในจิตของู้พาวนาเกิดอยู่ในสภาพปกติกำหนดรู้เฉย อ, อยู่ ต่อไปจิตไหวตัวเกิดความคิดอ่านขึ้นมาสติสัมปชัญญะรู้ทันรู้แล้วมีแต่ปล่อยวางไม่ยึดไว้สร้างปัญหาให้เดือดร้อนปัญญาอุดปาฏิปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วปัญญาคือความรู้ปัญญาคือความคิดถ้าหลงความรู้หลงปัญญาก็เป็นอวิชชา แต่ถ้าไม่หลงก็มีสติรู้ทันการอยู่ตลอดเวลารู้แล้วมีแต่ปล่อยวางเพราะอาศัยความรู้แจ้งเห็นจริงวิชาอุดปาริวิชาบังเกิดขึ้นแล้วคือความรู้แจ้งเห็นชัดเกิดยอมรับสภาพความเป็นจริงที่รู้นั้นรู้แล้วเห็นด้วยกับความรู้ เมื่อเห็นด้วยกับความรู้แล้วปล่อยวางเมื่อปล่อยวางหมดแล้วกิเลสตัณหามาน่าทิดอีไม่มีเกลสว่างถวัยลุกโรงขึ้นมาอาโลโกโอุดปาฏิแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแล้วนี่คือดําทางดําเนินจิตตามแนวทางอริยมรรคจะต้องเป็นไปอย่างนี้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 หลังจากฟังเทศธรรมจัดัภาวัฒนสูตรตกลงได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาท่านอัญญาโกลทัญญะได้บรรลุถึงพระโสดาบันบุคคลเป็นพระอริยะบุคคลองค์แรกในพระพสัยปาสนา เป็นสัสสีพยานแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าคือว่าพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก็เคอรู้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโลธมรรคจิตหลุดพ้นเข้าความรู้จริงจึงนำความรู้นั้นนั้นมาอบรมสั่งสอนพุทธเวใน ให้ได้ประพฤติปฏิบัติได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นท่านัญญาโคนพัญญะเป็นต้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายแนวทางปฏิบัติก็เคอศีลสมาธิปัญญาเราสมาทานศีลเพื่อตั้งเจตนางดเว้นบาปกรรมความทั่วโดยเจตนา เป็นอบายวิธีชำระกายวาจาให้บริสุทธิ์สะอาด <c oughs> ในทางความประพฤติเป็นโอบายหวานล้อมหรือเป็นวงล้อมเพื่อตะล่อมจิตให้เข้าไปสู่ความเป็นผู้มีศีลคือความปกติจิต้าทินักปฏิบัติทั้งหลาย มีความสงสัยข้องใจว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปนั้นละกันที่ตรงไหนละกันที่กายกับวาจาที่ก่อนโดยอาศัยศีลห้าประการเป็นต้นเป็นหลักหรือเป็นแนวทางที่ละ และโดยการไม่ทำอะไรซึ่งเป็นบาปโดยเจตนาและโดยไม่พูดจาอะไรในทางที่เป็นบาปโดยเจตนาเป็นการสกัดกั้นอำนาจของกิเลสไม่ให้สแสดงปฏิทิยาปรากฏในภายนอก เป็นการสงวนรักษาห่วงเห็นกิเลสของตนเองไม่ให้ไปกระทบกระเทือนกับคนอื่นและสิ่งอื่นเป็นการฝึกหัดดัดนิสัยให้งามอาทิกัญญานังงามในเบื้องต้นคือศีล ตามงามจะแสดงออกทางกายทางวาจากายมีกิริยามรรยาสุภาพอ่อนโยนวาจาไพเราะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเรียกว่ากายสุจริตกายสุจริตคือไม่ฆ่าไม่รับ ไม่คมโมยไม่ประพอบผิจกามมสุนิสาอาจารย์่าจีสุจริตไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอเหลวไหลไม่พูดยุยงส่งเสริมสอเสียให้คนอื่นก็แตกสามัคคีกันนี่เป็นกายสุจริต เมื่อเรารักษากายวาจาให้เป็นกายพุทธิเดชวาจีสุจธิเดได้เจ้าใจที่พุทธิเดชนี่ก็อ่อนกําลังลงเพราะกายวาจาไม่สนองความต้องการจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวกายทําอะไรได้วาจาพูดอะไรได้เพราะจิตเขาเป็นผู้สั่งเขาเป็นนายสั่ง แค่านายมีกิเลสมีความโหดเหี้มขึ้นมาเมื่อไรก็จะสั่งการไปในทางที่ไม่ดีเมื่อเขาสั่งการไปในทางที่ไม่ดีเรามีเจตนาตั้งใจจะละความชัวไม่สนองความต้องการของเขาเรากลายเป็นคนรับไช้ที่หัวดือ้อหัวรัน ทีหลังเจ้านายเกลียดที่นาเขาจะไม่ใช้เราอีกเมื่อเขาไม่ใช้เราเราก็ไม่ได้ทำความผู่ไม่ได้ละเมิดศีลสิกคา บ, บทวิเนยกายก็เป็นกายปกติวาจาก็เป็นวาจากปกติเพราะเป็นสิ่งที่มีศีลคอยต้องกันหรือคอยกระจัดบาปกรรมอยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นอุบายตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรมบาปกรรมที่เราทำด้วยกายด้วยวาจาที่จะต้องมีผลให้กระจกนรกหรือไปสเสวยทุกข์ในทุกขติเพราะการละเมิดศีลห้าประการเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่นอกนั้นเป็นบริวารเล็กๆน้อยๆ เศษแปดเศษสิบสองร้อยี่สิบเจ็ดเราจะเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมเพราะเราปฏิญญาณตนว่าจะเป็นผู้ถือศีลในขั้นนั้นแล้วไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นบาปเพราะโภหกตัวเองเป็นบาปเพราะไม่มีสัจความจริงใจเป็นบาปเพราะไม่รู้จักว่าเราเป็นอะไรและมีหน้าที่จะปฏิบัติอย่างไร แต่ถ้าเราไม่ปะิจ ญ, ญาณเพื่อจะรับเอาศีลแปดศีลสิบีสองร้อยี่สิบเจ็ดเราทำอะไรมันก็ไม่เป็นบาปถ้าหากไม่ผิดศีลห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งคนชาวบ้านทั้งหลายที่เขามีเพียงศีลห้าเขาทานข้าวเย็นได้แต่ผู้รับศีลแปดขึ้นไปไปทานข้าวเย็นเป็นบาปทันทีเราตัวเองต้องเสียสดจ่รย การเสียสัจจะนี้เป็นสิ่งที่้ายแรงที่สุดนักปฏิบัติทั้งหลายแม้จะทำความผิดอย่างอืน่นมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ไม่ทิ้งสัจจะยังใกล้ต่อการที่จะตรัสรูม้มรรคผลนิพพานแต่ถ้าละทิ้งสัจจะเสียแล้วก็จะไกลต่อการตรัสรูม้มรรคผลนิพพาน ยกตัว อ, อย่างในพบหนึ่งธาตุหนึ่งพระอานนท์เกิดเป็นข้าเจ้าแผ่นดินในเมืองเมืองหนึ่งพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าโคนมของเราเป็นือสีบำเพ็ญกระปะเพื่อสร้างบรารมีเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอาศัยที่ท่านสร้างบรารมีร่วมกันมาความเกี่ยวพันดันจึง ได้มาบรรจบกันเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจพระเจ้าแผ่นดินเมื่อทราบามีพระฤาษีองค์นี้อยู่ในบริเวณในเกตอาณาจักรของพระองค์ท่านเกิดความเลื่อนใส่ระเดเทิญให้มาพักอยู่ในสวนอุทยานทรงอุปถัมภ์ทุกวันทุกวันทรงถวายของเที่ยวของฉันเป็นประจำ ทางสองพระองค์คือพระเจ้าแผ่นดินในพระลาจินีเสด็จไปยังที่เป้าพระลือสีภายหลังก็นิมนพระลือสีเข้ามาฉันจังหันในพระราชวังพระลือสีตอนนี้เป็นผู้มีฤทธิ์พราะได้จะสำเร็จทานสมาบัติเวลาจะมาฉันจังหันก็เข้าทานออกมาทางอาบาสเข้าทางหน้าตา่าง แล้วก็ไปชัดจังหันชันจังหันเสร็จแล้วให้ศีลให้พรเสร็จก็เข้าทานเพาะกลับไปสู่ส่วนอุทยานอยู่มาภายหลังบ้านเมืองเกิดจลาจนก็เจ้าแผ่นดินต้องยกทัพไปปราบจลาจนหน้าที่การปนิบัติอุปถัมภ์พระฤสีเจ้าตกเป็นหน้าที่ของพระบรมมราชินีนาะ พระฤาษีก็มาขันตังหันที่พระราชวังทุกวันทุกวันอยู่มาวันหนึ่งบังเอิญพระดาสีเข้าฌานสมาบัติจิตยังไม่ออกจากฌานก็นลืมนึกถึงเวลาที่จะไปขันตังหันพอรู้ตัวก็รีบเข้าฌานสมาบัติเพราะพไปทางอ า, าศาสตไปเข้าทางหน้าต่างซึ่งในขณะนั้น พระลาจินีคอยพระลือศีเป็นเวลานานทรงบันพมไม่หลับไปพอได้ยินเสียงพระลือศีเหาอะอมาทางอากาศก็สะดุ้งองค์กตกกระไทยเตินขึ้นมาลุกพวดผาดโดยไม่ได้วงังเนื้อระวังองค์เรื่องปกปิดร่างกายทั้งหลายกระดุกลุลยทำให้มองเห็นส่วนภายในพระลือศีก็เกิดความยินดี เลยเกิดเป็นสีลเทศทำลายสีงของตนกับพระลาชินเนแล้วก็ประพฤติเช่นนั้นในวันต่อๆมาเจนกระทั่งนักสนมกำรันทั้งหลายรู้เรื่องเขา้าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาก็เทศทน์เรื่องเราให้ทรงทราบแต่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งอยู่ในพระสษราชธรรม เมื่อได้ทรงทราบแล้วพระองค์ก็ดำลิดในพระไทวว่าจะด้วยประการใดก็ตามเราจะถือเอาพระคนเจ้าของเราเป็นหลักเราจะไปถามพระคนเจ้าถ้าพระคนเจ้ารับปรริญยาณอย่างไรเราก็จะเชื่อตามนั้นถ้าฤาษีเมื่อพระเจ้าแผ่นดินประเด็ดไปรับสั่งถาม การต่อพิจรารณาว่าพระเรือพระเจ้าแผ่นดินทรงเลื่อนไสเรามากเราพูดอะไรท่านก็จะต้องเชื่อถ้าเราโกหกท่านก็ต้องเชื่อแต่ถ้าเลวศีมาคิดว่าประโยชน์อะไรที่เราจะต้องโกหกเพราะมันเสียศักจิ์สิผิดก็ต้องโคลนไปตามผิดถ้าเราโกหกเสียศัก จ, จิ์ การตรัสรู้ของเรามันก็ยังไกลจะไกลออกไปเป็นอันมากแต่ถ้าเราพูดตามความเป็นจริงคูลไปตามความเป็นจริงแม่คอเราจะขาดเราก็ยอมจะทำให้การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของเราในี่ใกล้เข้ามาดังนั้นพระฤาษีจึงทูลไปตามความเป็นจริง เมื่อพระเจ้าแทนดินทรงซาสเส่นนั้นแทนที่จะทรงซาสิโลและเอาพระฤาษีไปลงโทษกลัมีพระไทยยินดีปีติราโมตเป็นอันมากเพราะคุณเจ้านี่เป็นผู้มีสัจจะความจริงใจประพ์้วงใดได้สิ่ง น, นั้นแม้่าโทษถึงะหารชีวิต ท่านก็ยอมรู้อยู่แล้วเราเป็นผู้มีอำนาจทำผิดถึงขนาดนี้มีหรือคอจะไม่ตกจากบาปแต่กพระอาศัยความพูดจริงของพระฤาษีเนี่ยท่านมีสัจะจะเราเลื่อนไสเรายกโทษที่ได้ทำความผิดใดๆทั้งสิน้นอาโหสิกรรมให้อนุญาตให้แต่ว่าต่อไปพระคุณเจ้าอย่าปฏิบัติเช่นนี้อีก เสร็จแลพระเจ้าแผ่นเด่นก็สเสด็จกลับพระราชาวังฝ่ายพระฤาษีก็มาพิจารณาดูว่าเราถึงซึ่งความที่น่าจิบหายเพราะเราเรามามั่วสุมอยู่กับสังคมคุกพีด้วยโม่ด้วยคณะนะเรามาวุ่นวายกับเรื่องของโลกเราจึงถึงซึ่งความมิบัตรเช่นนี้ อย่าเลยต่อไปนี้คุณจงวัดชายคาบ้านคนนี่เราจะไม่เข้าไปเกียบกันแล้วจะไม่ลอดเข้าไปแล้วเกรดแล้วท่านเพราะอาศัยที่พระเจ้าแผ่น ด, ดินทรงอนุญาตแล้วท่านก็มากำหนดละลึกถึงศีลของตนเองปฏิญญานตนให้มีศีลห้าบำเพ็ญสมาธิภาวนาเข้าฌานและก็เหาะไปอยู่ป่าหิมพ า, านต์จนกระทั่งสิ้นชีวิต นี่เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้มีสัจจภาพจริงใจประสาอะไรที่เราจะไปโกหกมันเสียสัจจะแล้วทาให้เกิดเป็นวัชิพุจลิตรไกลต่อกา ร, กรตัดสู่เพราะฉะนั้นสัจจภาพจริงใจพูดจริงทําจริงมันจึงเป็นคุณธรรมที่สําคัญเป็นปฏิตีกรแห่งการศัดสู่ มักผลนิพพานดังนั้นลักปฏิบัติทั้งหลายควรจะใช้สัจจะความจริงใจใช้ขันติความอดทนต่อการปฏิบัติขันติปรมังสะโปตีติกขาขันติเป็นจตะกรรมคือความเพียรเขาบากเป็นอย่างยิ่ง ในใจของคนเรามันมีกิเลสที่อยากจะล่วงเกินบาปกรรมอยู่แต่เมื่อเรามาปัจเจียนตนจะเป็นผู้มีศีลมาเป็นนักปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเมื่อกิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นผู้มีศีลเมื่อมีศีลแล้วก็ต้องมีสัจจะ มีสัจจะความจริงใจว่าเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดรอดตังอาศัยคุณธรรมคือขันติความอดทนทนต่อสิ่งที่จะยั่วยุให้เราทำบาปทำกรรมคือไม่ทำตั้งปณิธานให้แน่วแน่ลงไปว่าแม้ชีวิตจะแตกดับลงไปก็ตามเราจะไม่ทำบาปตันที่ชั่วท้าหยาบ เส้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราละเราปล่อยเราวางแผนการแห่งการละความทั่วตามความหมายแห่งปาศิทธาสัพพปาปัจจะอัจริยังการไม่กระทำบาปทั้งปวงเบื้องต้นหมายถึงศีลห้าถ้าใครสงสัยว่าจะละบาปละกันที่ตรงไหนละตามศีลห้านั่นเอง ไม่ค่าไม่เบียดเบียนไม่ค่มเหงไม่ลังแกไม่อิทธาพยาบาัตนี่คือแผนการแห่งการละความตัวชวนกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตในใจไม่ต้องกังวลต้องกันเพียงแค่ว่าเราไม่ยอมทำตามอำานาจหรือคำสั่งของกิเลสเท่านั้น เมื่อเรามีความมั่นใจในการที่จะเพิกสะเพปฏิบัติ์อย่างนี้บาปการรมที่เรามีอยู่ก่อนมันก็ยุติลงเพียงแค่นั้นผลก็มไม่มีเมื่อเรามีเจตนางดาเพ้นจากกรรมั่วตามกฎเกณฑแห่งศีลห้าจนคล่องตัวจนชันนิชํนานาญเจตนาที่จะทําบาปการรมของเราย่อมไม่มี า็ศีนมันจะกลายเป็นตัวปุญดาที่สังขารคอยปรุงแต่งจิตให้เรามีเจตนาดีมีจิตใจเมตตาปลาณีมีจิตใจซื่อสัตย์สุจริตมีความรักอันมั่นคงโดยปราศจากกิเลสแต่ละคะมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อหน้าที่ กลายเป็นธรรมกาโมผู้ใข่ในธรรม <c oughs> จะพาจิตของผู้กล่ในธรรมเห็นอะไรจะพิจารณาเป็นธรรมไปหมดการเป็นธรรมของจิตอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ปลาตรงที่เราจัตรงอยู่ตรงที่ กรรมสัตตากรรมทาตุากรรมโยนีกรรมพันปูกรรมปฏิสนาัต์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสีพุทโกดวงดีชั่วเป็นไปตามกฎของกรรมคนทำทั่วมากๆแสดงว่าเขาทำกรรมทั่ว ทรทั่วนั้นมันเป็นบาปสังขารคอยปลุงแต่งติตให้ทาทั่วอยู่เรื่อยๆยิ่งทำก็ยิ่งมืด บ, บนอนพิการยิ่งทาก็ยิ่งมองไม่เห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์แต่ไม่ใช่ประโยชน์อย่างนี้ก็ม่งเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวและความสุขส่วนตัวเพียงสายเดียวโดยไม่นึกถึง อ, อกเขา อ, อกเราเทศมันก็ไม่เป็นธรรมไม่เป็นกลางไม่เที่ยงธรรม ทำแต่บาปแต่กรรมไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกุศลไม่รู้จักทำดีมีแต่ทำความวั่วล่ำไหลร่่าไปมีใครไปพูดเรื่องบาปบุญคุณโทษในฟังเหลียวไหลใครพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานในฟังเหลียวไหลเพราะ อ, อะไรเพราะบาปกรรมมันปิดบงังเท่นเดียวกันกับท่านมาละไไปโปรดรักนรก ไปโปรดสัตว์นรกสัตว์นรกผู้ที่มีอุปนิสัยบางงพอเห็นพระเถละเจ้าไปก็ยกมือสลอนสาธุข้าคุเจ้ามารีแล้วโปรข้าพเจ้าเป็นสัจ์โลกทำบาดทำกรรมจึงได้มาสลบานอยู่อย่างนี้ขอให้ไปบอกญาติน้องทำบุญดูเทศหูงปุถุชนส่งมาให้ด้วยนี่สำหรับผู้ที่มี มีบุญญาที่สังขารคอยปรุงแต่งจิตให้นึกถึงคุณงามความดีส่วนจัดตาลกบางตนบางตัวก็ได้แต่นอนซ้ำหน้าไม่มองดูพระเถราเจ้าเลยใครจะว่าไงก็ช่างใค่ฉันใช้ยูเพราะบาปกรรมมันปิดบังมาปก ร, รตัวที่ปิดบังนั่นแหละคือปาคืออสุญญาที่สังขารสังขารคือบาปมันคอยปรุงแต่งจิต ให้มีแนวโน้มไปในทางบาปเพราะฉะนั้นเรามาจเจริญสมาธิพิจตนานี้ถึงแม้ว่าไม่บรรลุมรรคผลนิพพานใดๆก็เพียงแต่ว่าฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลินกลายเป็นความคร่องตัวไม่สามารถที่จะทำบาปทั้งในที่รับแตในที่แจ้งได้ มีอิเลโอตตะตะดุ้งกลัวต่อบาปอายต่อบาปอยู่เสมอเอากันแต่เพียงแค่นี้ก็ยังนับว่าดีโตปฏิปัติปฏิปฏัติชอบมีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วสิ่งที่จะเพึงเกิดขึ้นในจิตของท่านผู้นั้นก็คืออิเลความละอายต่อบาปโอตตะความตะดุ้งกลัวต่อบาป เขาจะไม่กล้าทำบาปทั้งในที่ลับแต่ในที่แจ้งเฮเโอสปสัมปนาสุกามะสมาหิตนิฮิความละอายต่อบาปโอสปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปทำสองประการ น, นี้เป็นคุนธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดากำหนดตูจิตของตัวบังซิมีหรื อ, อยัง เมีเหตุหรือยังอายต่อบาปหรือยังมีโอตตะกลัวต่อบาปหรือยังหรือมันยังคิดว่าบาปไม่ได้ขี่ช่างดูดบุหรี่มาดอกอยู่ถ้ามันยังคิดแต่งดันก็เรียกว่ายังไม่มีไม่ดีและโอะะตตะก็รีบเร่งบําเพ็ญเสียนสมาธิปัญญาให้มันหนักหนักเข้า นักปฏิบัติที่มีอิเลโอตต ะ, ะนี่มันจะสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่สะดุ้งด้วยความเดือดร้อนสะดุ้งเพราะความสังวรระวังตั้งใจที่จะละั่วสะพุดีทำจิตให้บริศศสุทธิ์าดจิตกลายเป็นผู้มีความรู้สึกสำนึกผกิดชอบเพื่อดีคนที่มีความรู้สึกสำนึกผกิดชอบเพื่อดีมีหรือจะหยุดนิ่ง นอนหาความสุขความสบายส่วนตัวอยู่โดยไม่ทำประโยชน์อันใดการปฏิบัติธรรมนี่ในเมื่อเรามีพลังงานเกิดขึ้นเราจะมีศรัทธามีพิริยะความภาคความเพียรความแกล้ากล้าอาถารพ์กล้าที่จะเสียสละชีวิตเพื่อบูชาข้อวัดปฏิบัติไม่ลิ้งนอนใจมีตติความตั้งใจระลึก รู้สึกผิทชอบทั่ว ด, ดีอยู่ตลอดเวลาพยายามผจัดการทำคว า, ามทั่วจะททำแต่คว า, ามดีแล้วก็มีความมั่นใจในที่จะละชั่วประพฤติดี